นานๆหลวงพ่อจะได้มาพบพี่น้องลูกหลานอุดรแื่คราวนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเป็นวันเริ่มแรกที่พวกเราจัดงานทาบุญครบรอบ99ปีพระอุดมยานโมลีชื่อเดิมท่านจันศรีจันพระทีโป เป็นเจ้าวาดวัดโพธิสมพรของเราแล้วก็เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ของจังหวัดอุดรธานีไม่มีองค์ไหนที่จะใหญ่ยิ่งกว่าหลวงปู่ของเราในขณะนี้องค์หลวงตามหาบัวท่านจะมีอายุรองอายุ97ปีแต่หลวงปู่อุดมยานโมรีของเราอายุ99้าสิาปีอายุมากที่สุดแล้วกัพรรษาสูงที่สุด ในเขตของเราที่หลวงพ่อรับรับทราบมาเพราะนั้นวันนี้คณะทาญาทโยมลูกหลานได้มาร่วมกันแสดงออกซึ่งน้ําใจแสดงออกซึ่งมุทิตาสักการะนคือสักการะออกมาจากด้านจิตใจของพวกเราลูกหลานจริงๆที่หลวงปู่เราเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิง่งอย่างพระเจดี อ, B, อยู่ทางด้านหลังของพวกเรา ก็หลวงปู่เป็นประธานในการก่อสร้างเพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่ธรรมเกดีที่เป็นผู้มาริเริ่มวัดโพธิสมพรฝ่ายธรรมยศแต่ก็สำเร็จรุ่งรุงด้วยดีสูงต่างงาเป็นที่กราบไหว้สักการบูชาของพี่น้องชาวอุดรของพวกเรา นี่แหละหลวงปู่ท่านคิดไกลถึงขนาดนั่นแหล ะ, เ, ะเมื่อสร้างเสร็จแล้วท่านก็ไม่ได้มีอะไร เ, ะเป็นสมบัติของพี่น้องชาว อ, อุดรพี่น้องชาว อ, อุดรถ้าท่านผู้ใดมีความทุกข์ใจก็จะมากราบมาขอพรจากพระเจดีพอบรมพาตธที่เจดีแห่งนี้แล้วก็ขอพรจากหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น หลวงปู่ธรรมะเจดีครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ธรรมะเจดีล้วนแล้วจะเป็นชนิเป็นมงคลสำหรับตัวของท่านตัวของพวกเราลูกหลานเองวงสกุลของพวกเราหลวงพ่อว่าเป็นผู้พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายเป็นผู้โชคดีอย่างมากที่ได้มาเกิดในเมืองอุดรและก็ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากมายในเมืองอุดรของเรา แต่ขนาดหลวงพ่อยังอยู่มุกดาหารหลวงพ่อยังอวดยังมาถึงอุดอรนกันเถอะได้มาศึกษามาอยู่เมืองอุดอรแล้วก็รู้สึกว่าได้รับความอบอุ่นจากธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นพวกเราลูกหลานทั้งหลายมาอยู่ใกล้เกลือแล้วอย่าไปกินด่างนะใกล้เกลือแล้วอย่าไปกินด่างสิ่งไหนที่มันที่สิ่งที่ดีลูกหลานควรจะทํา คณะกรรทกาญาติโยมควรคิดให้ดีควรทำสิ่งที่ดีประพฤติตนให้เป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีและพวกเราจะเป็นสิริเป็นมงคลตลอดการทั่วชีวิตของเราไม่เสียท่าเสียทีที่พวกเราได้เกิดมาได้เกิดมาในประเทศไทยเกิดที่เมืองอุดรแล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระทุรงกรรมฐานสายหลวงปู่มันนับว่าเป็นผู้โชคดีเกิดมาไม่เสียเที่ยวเสียทีเกิดมาชาตินี้หลวงพ่อว่าอย่างนั้นเลยนะแต่ลูกหลานทุกคนจะคิดยังไงคิดอย่างหลวงพ่อหรือเปล่านะแต่หลวงพ่อนี่คิดอย่างนั้นหลงพ่อว่าหลวงพ่อไม่เกิดมาชาตินี้ไม่เสียเที่ยวไม่เสียทีได้เกิดมาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พวกเราปฏิบัติตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนแล้วมีแต่ความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจมีความสุขทางด้านจิตใจลึกๆเหมือนกันเถถึงจะมีเงินคาทรัพย์สมบัติมากมายแต่พวกเราพ็ได้ทรัพย์สมบัตินั้นก่อนได้อยู่แต่มันมีความสุขแบบผิวเผินมีความสุขแบบวาดผวาวาดผวาคืออะไรบางทีมันอาจจะหลุดจากมือเราไปก็ได้ ต้องรักเตรียมรักษาต้องเตรียมการอะไรมากมายแต่เราได้ธรรมะในขิตใจเนี่ยอมันได้เข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าอบอุ่นเย็นสบายมีความสุขเย็นดึกดึกในขิตในใจหลวงพ่อว่าเนี่ยได้ธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่เลิศประเสริฐที่สุดดีกว่าได้วัตถุภายนอกเป็นไหนไหนนะเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะแสดงธรรมแล้วในที่นี้นะเข้า กฎระเบียบระเบนนี่นะเี่ยจะได้กล่าวเป็นศาสนาพิธีเพราะวันนี้เป็นวันศาสนาพิธีเป็นวันเริ่มแรกที่เราได้มาทำบุญแสดงมุทิตาสักการะในองค์หลวงปู่อายุ99ปีเพราะนั้นพวกเราได้มานั่งฟังแต่วันนี้หลวงพว่อกคิดว่าพวกเราคงจะมีเวลามากเนีเพราะเราเสียสละมาแล้วเนี่ถือเด็กธรรมะแล้ว เพราะนั้นขอให้พวกเรา น, านานานทีปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นแหะวันเกิดหลวงปู่เพราะนั้นพวกเราต้องมีขันติคือความอดทนมีความเพียรวิริยาขันติในคืนวันนี้นะคณะจดทา ย, ยาโยมลูกหลานนะนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกันรญาณการีกันระยานังปาปะการีราาปาปาารจักปะปะการังปัจฉะตะปฏิดุกตตังอะกตะตังดุกตะตังไสยโย ปานานงอะกรานางสุขขังอั ป, ปมาเดนะัมปาเดทาตีติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่คณะทายาิโยมลูกหลานได้มาร่วมกันแสดงออกซึ่งมุทิตาสักการะในองค์หลวงปู่เพราะองค์หลวงปู่เป็นผู้มี อุปกรารคุณถ้าจะว่าไปแลยคือเป็นบุพการีในในทางธรรมะเป็นบุพการีของพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายแสดงออกซึ่งความกระตันยูกตวเวทิตาทดแทนพระคุณของท่านที่ท่านได้มีเมตตาหลายหลายอย่างที่ให้ความอบอุ่นเรื่อความเมตตาเรื่องต่าง ที่หลวงปู่ได้เป็นร่มโพร่มไส้ของเมืองอุดรธานีเป็นปูชนียบุคคลเนีเป็นปูชนีที่พวกเราจะต้องเคารพนับถือหลวงพ่อจะกล่าวประวัติหลวงปู่ให้แก่ขศ้ศราชกาญาติโยมลูกหลานให้ฟังพอสังเขปนะคือลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังอาจจะไม่ได้ฟังประวัติของหลวงปู่ หลวงปู่ของเราเนี่ยเป็นคนที่ไหนไปยังไงมายังไงฮะหลวงพ่อจะกล่าวให้เป็นเครื่องนำเพื่อเป็นเครื่องรำลึกถึงว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นอย่างไรความเป็นมาของท่านเพราะนั้นหลวงปู่หลวงพ่อจะได้ให้พวกลูกหลานทั้งหลายให้รำลึกถึงหลวงปู่หลวงปู่เกิดเมื่อวันที่สิ วันนี้วันที่8ดนะลูกหลานนะทายาโยมนะวันนี้วันที่8วันที่สบนะคือ8ดเ้าเดือนตุลาเนี่ยะวันนี้เป็นวันที่วันที่แแต่หลวงปู่เกิดวันที่สิบตุลาคมพุทธศักราช 2,454 ปีที่ปีนีาบาะแปลว่าหลวงปู่99ปีนะถ้า54ปีหน้าหลวงปู่ร0อปีพอดีหลวงปู่เกิด 2,454 แรมสามค่ำ เดือน11ปีคุณคุณพ่อคุณแม่ของหลวงปู่ตั้งชื่อให้ท่านตั้งชื่อให้หลวงปู่ชื่อเด็กชายจันศรีนามสกุลแสนมงคลหลวงปู่เข้าสู่วัดเมื่ออายุอย่างน้อยอยังยังเป็นเด็กนะและได้บวชเป็นสนัมเนนเมื่ออายุ16ปีเมื่ออายุ16ปีเมื่ออายุครบ20ปีหลวงปู่ได้บวชเป็นพระที่ไหน ได้อุปสมบทเป็นพระณพัฒน์ศีมาวัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่สิบสามมกราคมพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่รวมพ่อเขายังไม่เกิดที่หลวงปู่หลวงปู่เขาของเราบวชนะสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ พระอุปชาของหลวงปู่คือท่านพระครูพิสารอรัญยเขตเป็นพระอุปชายยะพระอาจารย์สิงขันตยาคโมเป็นกรรมวาจาจารย์พระมหาปินเป็นอนุสาวนาาจารย์หลวงปู่มหาปินเป็นอนุสาวนาอาจารย์เมื่อบวชแล้วท่านได้เดินทุรงกับครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนั้น ไปในสถานที่ต่างๆไปพร้อมกับหลวงปู่สิงห์ที่เป็นกองทัพธรรมที่เป็นหัวหน้ากองทัพธรรมแต่หลวงปู่มัน่นหลวงปู่เสาเนี่ยท่านแยกไปอีกส่วนหนึ่งแต่หลวงปู่สิงห์เนี่ยแปลว่าเป็นกองทัพธรรมเป็นผู้ประกาศเผยแพร่ธรรมะเข้าสู่พี่น้องประชาชนเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นหลวงปู่สิงห์หลวงปูงงป่มหาปิน่นหลวงปู่อ่อน บ้านนองบัวบานเราเนี่ยลวงปู่เทศหลวงปูงป่ฟัน่นแล้วครูบาอาจารย์หลายๆองค์ในยุคสมัยนั้นท่านก็ได้เดินทูตรงไปกับครูบาอาจารย์หลวงปู่ของเรานะได้เดินทุรงไปกับครูบาอาจารย์หลายหลายแห่งผลที่สุดหลวงปู่ของเราก็ยังนึกอยากจะเรียนหนังสือนไหอยากจะเรียนปริยัติธรรมคือเรียนหนังสือ พรท่านเดินทุดงไปแล้วก็ท่านยังคิดว่าอยาจะเรียนปริยัติธรรมเหมือนกับหลวงปู่มหาปินพอหลวงปู่มหาปินได้เป็นมหาจากนั้นท่านก็ได้ลาครูบาอาจารย์เพื่อไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพตอนนี้ครูบาอาจารย์เมื่อหลวงปู่ได้กราบลาครูบาอาจารย์ครูบาอ า, าจารย์ท่านก็ให้ให้คติธรรมให้คติว่า เมื่อเรียนจบแล้วให้เป็นได้เป็นมหาแล้วให้กลับมาปฏิบัติธรรมน ะ, ะครูบาอาจารย์ท่านแนะนําให้มาเป็นกรรมฐานเป็นพระทุโรงอกีกหลวงปูมป่มหาปิน่นได้ให้โอวาทหลวงปู่เป็นภาษาบาลีว่าหลวงปู่มหาปิน่นท่านให้เป็นภาษาบาลีให้แก่ให้แก่หลวงปู่ของเราทนะ่านบอกไกยีลาเจไกยีลาเทนัง ถ้าจะทำสิ่งใดที่เป็นประโยชน์แล้วตั้งใจทำสิ่งนั้นให้จริงๆออันนี้คือว่าหลวงปู่ได้ยินประทับใจของปู่มากที่ลงปู่มหาปิ่นที่ท่านให้เป็นภาษาบาลีกะยลาเจกะเยลาเทนัถ้าจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วตั้งใจทำสิ่งนั้นให้จริงๆไอ้ข้าวจะถ้าจะเรียนหนังสือก็ตั้งใจเรียนหนังสือให้จริงๆ ถ้าอยากจะปฏิบัติเขาปฏิบัติให้จริงๆ จ, จริงจังจริงใจจะไปทํารอๆเลยแหละหลวนะงปู่มหาปิน่นท่านสอนนะ่ะนี่แหละประทับใจหลวงปู่เป็นอย่างมากจากนั้นท่านก็ได้ไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพตามวัดต่างๆตามประวัติของท่านนะจากนั้นท่านก็ได้เป็นถึงได้เรียนจบมหาศีระโษนะที่กรุงเทพจากนั้นท่านก็ออกมาเริ่มออกมาปฏิบัติอนะไรอยนี้ ออกมาออกมาเริ่มปฏิบัติท่านไปทางจังหวัดเชียงใหม่ลําพูนก่อนจากนั้นท่านก็ไปเจอไปเจอคู่บา ร, รมีของท่านมัง้งทำตามประวัติของท่านนะอพอไปเจอทีนี้ท่านก็ว่าโอ้พอเห็นแล้วที่แรกๆ ก, ก็ไม่เป็นไรพออยู่ไปอยู่ไปรู้สึกว่ามัน มันลึกเข้าไปเรื่อยๆว่ากันเถอะเออเหมือนกับเราไปเห็นสิ่งที่เราชอบใจอาจจะเป็นบุกเพนิวาดก็ไม่รู้อนะ่ะละมันปิง๊งในใจว่ากั้นเถอะหลวงปู่นะ<อ> <c oughs> ทีนี่หลวงปู่ก็เมามันไปพอสมควรว่ากันเถอะพอมันปิงนะ๊งเลยท่านโอไปได้เพ ร, ราะเาท่านขืนอยู่ที่นี่ตายแ น, น่ท่านก็เลยออกมาออกมาลาจากทางมาจากจากังหวัดลําพูนเชียงใหม่ออกมาท่านก็โอ้ตุปัตตุเปย์ปฐุลูกศรแล้วนะท่านนี่ เหมือนกับเหมือนกับนกน ก, นกยุงถูกลูกสอนอย่างนั้นเดีวกันเถอะตุ๊ปัตตุเปมากจากนั่นเขามาศึกษากับหลวงปู่มั่นท่านเลยมาวัดสุทธวาทอันนี้หลวงปู่เราให้ฟังเลยท่านก็หลวงปู่มั่นโอ้สอนเอาจริงเอาจังจริงสอนใครว่าติวเข้มเลยนะหลวงปู่จาไม่ลืมไปทั้งทุกวันนี้แหละถ้าพูดให้ฟังถ้าภาคปฏิบัติแล้วหลวงปู่จะพูดให้ฟังแบบจริงจังจริงใจเลยเงี้นเถอะท่านบอกหลวงปู่มั่นสอน ท่านก็ให้พิจารณาอย่างนี้อย่างนี้หสรุปแล้วก็คือท่านเหมือนกับรู้ทั้งหมดในที่เราไปถูกครุษสอนมาทางภาคเหนือ่าเงั้ยตอนวานนะจากนั้นท่านก็เลยเอาชนะใจของท่านได้เีกันหน้าคิดทีเดียวนะหลวงปู่ของเรานะจากนั้นมาท่านก็ได้เริ่มเข้ามาปฏิบัติแล้วก็ไปทำหน้าที่รับตำแหน่งมากมายหลายอย่าง ผลที่สุดก็ทางกรุงเทพก็เห็นว่าวัดโพธิสมพรณ์เนี่ยมีแต่เจ้าคุณปู่ธรรมเจดีเป็นพระผู้ใหญ่องค์ที่รองรับไปยังห่างอยู่ก็เลยส่งท่านมหาจันศ ร, รีเนี่ยแหละหลวงปู่ของเราเนี่ยโสมมหาจันศ ร, รีขึ้นมามาท่านก็ได้มารับเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณจากนั้นมาท่านหลวงปู่ธรรมเจดีท่านมรณภาพลง ก็หลวงปู่ของเราก็ขึ้นมาแทนรับรักษาการแทนเจ้าอาวาสจากนั้นท่านก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรจากนั้นท่านได้เป็นเจ้าพระนจังหวัดจังหวัดอุดรจากนั้นท่านก็ได้รับตําแหนง่งขึ้นเป็นเจ้าคณะภาคคณะภาคเก้าจากนั้นท่านก็ได้เป็นผลที่สุดเมื่ออายุท่านมากแล้วท่านก็ได้เป็น ที่ปรึกษาที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าเดี๋ยวนี้นะท่านนี้เป็นตำแหน่งทางทางที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าส่วนธรรมที่ท่านได้รับท่านเป็นรองสมเด็จนะคันรองสมเด็จถ้าเกินขึ้นไปกว่านี้ก็เป็นสมเด็จแต่โดยมากเจ้าฟ้าเจ้าคุณได้ขนาดนี้ก็นะับว่ามากแล้วตำแหน่งนี้แต่หลวงปู่ได้รองสมเด็จชื่อว่าพระอุดมญาณมูรี อุดมยานโมลีอายุของหลวงปู่99ปีผู้พร้อมด้วยไวั ย, ยวุฒิขนนวุฒนะิเพราะฉะนั้นพวกเราฐานะลูกหลานที่มาร่วมกันสแสดงมุทิตาสักกะระได้มาร่วมกันรักษาศีลเพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่ขอให้พวกเราทัานทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายทุกคนนะทำอะไรทําให้จริงจังอย่าไปทําแบบปลอกตนเองไปเป็นวันวานไม่ได้นะ ถ้าทําอะไรก็ทําให้จริงจังรักษาศีลก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์จริงจังอย่าให้ด่างอย่าให้พลอยอย่าให้ขาดอย่าให้ทะลุรักษาพรหมพรหมจัจจันของเราเนคขํานะทั้งโยมผู้หญิงทั้งโยมผู้ชายนะนะให้จริงจังในการทําคุณงามความดีในเมื่อเราได้สิ่งใดมามันก็จะได้แบบที่เราต้องการไม่ใช่ว่าได้แบบล่อเลอะแหล่ๆเพราฉะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลาย นับว่าเป็นผู้มีบุญที่ได้มาแสดงความเคารพมุทิตาสักการะในองค์หลวงปู่หลวงปู่เป็นผู้เป็นบุพภการีอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวคําว่าบุพภกาลีในคนํานี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็มีหลายระดับเหมือนกันนะหลวงพ่อจะเรียงลําดับให้พวกเราเพื่อเป็นการเพื่อ เ, เ, เป็นการศึกษาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็พวกเราจะได้ รู้ว่าบุพการีแต่ละอย่างนั้นคืออะไรอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นอุภการีคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้รีรู้ชอบด้วยพระองค์เองจากนั้นประกาศพระธรรมคําสอนออกมาเผยแผ่ธรรมะให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้นําพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาบอกกล่าวให้แก่พวกเราเป็นทอดทอดมาจนถึงทุกวันนี้ ถ้าหาว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปพระธรรมแล้วแล้วก็พระสงฆ์ไม่ได้นําพระธรรมมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังพระธรรมคงจะไม่ถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้มีอุปกา ร, ระคุณเป็นบุพการีของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราจึงขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่ง ว่าเป็นบุพ ก, การีของพวกเราในทางธรรมะเป็นผู้ชี้นำธรรมะเข้าสู่จิตใจของพวกเราอันนั้นผิดนะอันนี้ถูกนะอันนั้นนรกนะอันนั้นสวรรค์นะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะไม่มีใครที่จะพูดนอกจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกกล่าวให้พวกเราเพราะนั้นเครื่องธรรมะชี้นำทั้งด้านจิตใจแล้วพวกเราต้องหนอบน้อมพระพุทธเจา้าเป็นผู้มี พระคุณอย่างมากเป็นบุพการีในทางธรรมะเป็นผู้ชีน้นาในทางธรรมะให้แก่พวกเราเป็นผู้ได้พวกเราจะได้ศึกษาอันที่สองบุพการีต่อมาก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่พ่อคุณรามกําแหงพ่อขุนศรีอินทร athi กรุงสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์ ที่พระเจ้าแผ่นดินทุกยุคทุกสมัยท่านรักษาแผ่นดินไว้เพื่อให้พวกเรามีแผ่นดินออของประเทศหรือพระพุทธศาสนาเป็นอยู่คู่กับเมืองไทยมาแต่ยุคนั้นสมัยนั้นมาถึงยุคนี้นับว่าพระเจ้าแผ่นดินทุพกพระองค์เป็นบุพการีเป็นบุคคลผู้มีอุปการะก่อนแต่ถ้าว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่รักษาแผ่นดินเอาไว้พวกเราจะมีแผ่นดินอยู่ไหมเนี่ย อันนี้ก็คือบุพการีส่วนหนึ่งจากนั้นก็พ่อแม่ของพวกเราพ่อแม่ของเราบุาพการีคือพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่บุตรธิดาอย่างพวกเราเกิดมาจากไหนเกิดมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดและเป็นผู้เลี้ยงดูเราแต่พวกเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นยังไงแต่พวกเราพอจะสังเกตได้ว่าเมื่อพวกเราเห็นลกเล็กเ็กแดงที่เกิดมาใหม่ พ่อแม่เขาดูแลรักษาอย่างไรกับลูกของเขาเหล่านั้นแต่พวกเราคนนึกย้อนมาถึงเราอีกพ่อแม่ของเราก็คงจะดูแลรักษาเราเหมือนกับลูกๆของเขาที่พวกเราได้เห็นหรือพวกเราได้เลี้ยงลูกของเรานี่แหละอันนี้ก็คือบุพการีบุคคลผู้มีอุปกรณก่อนก็คือพ่อแม่ของพวกเราจากนั้นก็บุพการีท่านที่สก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระอุปชาอาจารย์พระอุปชาคืออย่างที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวคือหลวงปู่ธรรมะเจดีเนี่ยเป็นบุพการีของหลวงปู่หลวงตาต่างๆอย่างหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่จำหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่กงมาหลวงปู่ที่มาบวชกับหลวงปู่ธรรมะเจดีเนี่ยถือว่าหลวงปู่ธรรมะเจดีเป็นบุพการี เป็นผู้มีอุปการะกรที่ให้พวกพระได้บวชกับองค์ท่านนี่แหละอันนี้ก็คือบุพการีส่วนหนึ่งจากนั้นพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายก็เมื่อได้ยินธรรมะจากครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำสั่งสอนเราก็ถือว่าครูบาอาจารย์เป็นบุพการีของเราได้ให้ธรรมะสิ่งเป็นอย่างนั้นนะสมาธิเป็นอย่างนั้นนะปัญญาเป็นอย่างนั้นนะ ที่แนวความคิดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุพการีของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตวเวทิตาอย่างไรอันดับแรกแเราขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ mm hmm. ์ได้ประมาทพลาดพังสิ่งใดก็ขอให้พระมหากรุณาธิคุณอดอโหสิให้ข้าพเจ้าด้วยเทินอะอันนี้ก็จากนั้นก็คือเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์จากนั้นขอพ่อแม่ของพวกเรา จ่ากนั้นกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราล้วนแล้วจะเป็นผู้มีอุปกระคุณเป็นผู้มีกตัญญูกตวเวทิตาพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตวเวท่ตาต่อท่านเหล่านั้นอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราลูกหลานทุกคนนะให้คิดถ้าพวกเราไม่คิดแล้วจะไม่เห็นถ้าคิดแล้วต้องใช้ปัญญาไขาควรไรตรพรองเหตุและผลแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้น อันนี้ก็คือให้พวกเราแสดงความกตัญญูในองค์หลวงปู่ของพวกเรานี่แหละคือถ้าจะว่าไปนั่นคือคือการอยู่ด้วยกันเป็นระบบเป็นระเบียบในการเป็นอยู่เพื่อการศึกษาของพวกเราการีมาพูดเรื่องกฎรืหว่าการเป็นอยู่ของมวลมนุษย์การจะอยู่ด้วยกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขนั้นเราจะอยู่อย่างไรนี่ก็คือต้องศึกษา ในพระธรรมํำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านวาว่าเราเกิดมาเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะเราไม่ได้เกิดมาอยู่คนเดียวการอยู่หลายๆคนเอาหลายๆคนเอาหลายหลหัวใจมารวมกันแล้วเราจะให้ได้อย่างใจของเราทุกอย่างคนนั้นก็อยากจะให้ได้อย่างใจคนนี้ก็อยากจะให้ได้อย่างใจต่างคนก็ต่างอยากจะให้ได้อย่างใจของเราแล้วมันจะเป็นยังไงมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวาย เพราะนั้นทุกอย่างเราก็ต้องแบ่งครึ่งกันพบกันครึ่งทางเอาหัวใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องถ้าเราเอาแต่ใจของเราถ้าทุกคนคนนั้นเอาแต่ใจของเขาละ่ะเราจะมีความรู้สึกอย่างไรอันนี้ พ, พระพุทธเจ้าท่านก็สอนพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันนั่นแหละท่านจึงมือสิงขึ้นมาที่มือทานคือมีอทานก็คือการเสียสละ คือพ่อแม่ก็ต้องเสียสละให้แก่ลูกหลานลูกของตนพวกเราก็เหมือนกันอยู่ด้วยกันก็ต้องมีการเสียสละนี่แหละอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนสอนให้แก่คารวาดญาติโยมที่อยู่ด้วยกันท่านตรัสท่านบอกไว้ว่าคารวะธรรมคารวะธรรมธรรมของคารวะสีอย่างสัจจะการอยู่ด้วยกันต้องมีสัจจะถ้าว่าคนเราอยู่ด้วยกันขาดสัจจะไร้สัจจะแล้ว มนุษย์โลกจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรคนนั่นก็ตอแหลคนนี้นก็โกหกมีแต่หาความสัจสัจความจริงด้วยกันไม่ได้จะทำมาค้าขายสิ่งไหนก็ตามหาความสั์ความจริงไม่ได้มีแต่ตอแหลกันเป็นวันๆพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันว่าโลกในยุคนั้นสมัยนั้นจะหาความสุขได้ไหมไม่ได้เพราะไม่หาความไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้เพราะโลกขาดสัจจะเพราะน้ำพระพุทธเจ้าท่านกลงว่าโลกจะอยู่ได้ ด้วยความสงบพร่มเย็นเป็นสุขนั้นต้องมีสัจจะสัจจะคือความจริงจังและจริงใจพูดสิงไหนให้เป็นสิ่งนั้นหรือถ้าไม่เป็นอย่างที่เราพูดเราก็ต้องไปขออภัยบอกเขาเออในเรื่องนั้นในเรื่องนั้นเราคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นได้แต่มาถึงจุดนี้แล้วเพราะมันมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามา เ, ออเพราะว่าโลกนี้เป็นโลก อ, อนิจจ์เป็นของไม่เที่ยงเราจะเอาจิรังท้าวอเอาความที่มันเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็ไม่ได้ เพราะมันมันช่วงนั้นใช่มันเป็นอย่างนั้นได้แต่ช่วงนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้คงตรงขออภัยอันนี้เราก็ต้องมายอมรับไม่ใช่ว่าสิ่งไหนก็ผ่า น, ผ, านผ่านไปพูดรับปากไปเรื่อยเนีเหมือนกับคนกินเหล้ามาเจอกันแล้วก็รับปากไปเรื่อยผลที่สุดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนีอย่างนั้นตัวคนไร้สัจจะคนที่ไร้สัจจานั้นจะหาความร่มเย็นหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ในการอยู่ด้วยกันอันที่สองแปลว่าธรรมะ ให้รู้จักข่มจิตของเราคนเราต้องมีอารมณ์ร้อนโกรธโมโหโกรธอรักโลภหลงมันมีอยู่ในจิตในใจของพวกเราต้องให้รู้จักอธรรมะให้รู้จักข่มจิตของเร า, เาสมมติว่าเราได้ยินคนพูดว่าเอา้หลวงพ่ออินนะ เ, เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างงั้นทั้งที่เขาพูดหรืออาจเขาจะไม่ได้พูดก็ได้คนมานํามาพูดให้ฟัง เขาอาจจะยกไม่เพูดก็ไรเขาอาจจะมาแหย่เล่นก็ได้พอเราได้ยินแเรวก็โมโหโท่โศกโทาไปว่าให้เขาทั้งที่เขายังไม่ได้พูดอะไรเลยอันนี้ก็ทําให้เสียพ่อเสียแม่เสียพี่เสียน้องเสียลูกเสียหลานเสียวงศาคณะญาติไปมากพอามากเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะเราขาดความยับยัง้งขาดการข่มใจของตนเอาไว้เพราะนั้นสิ่งใดก็ตามเมื่อเราได้ยินสิ่งไหนมาเราต้องข่มใจไว้ก่อนจริงหรือไม่จริง แล้วต้องใข่ควรพบทวนไตรตรองด้วยเหตุและผลนี่แหละคือการอยู่ด้วยกันธรรมะให้ทุกจักข่มจิตของตนข้อที่สามขันติให้มีความอดทนอย่างพวกเรานั่นนั่งอยู่ที่นี่จะให้ไม่ให้ปวดแข้งปวดขาเฉลยเป็นไปไม่ได้และต้องปวดแข้งปวดขาแต่ต้องมีความอดทนเพราะเรามาบําเพ็ญคุณงามความดีมาสั่งสมคุณงามความดีมาบําเพ็ญเพื่อหามรักหาผลถึงจะเป็นยังไงอุปสรรคยังไงเราก็ต้องอดทน ให้มีขันติเอาไว้ไม่ใช่ว่าเราไปที่ไหนมีแต่ความสะดวกสุขสบายเหมือนกับเร า, เ อ, าอยู่กินแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีร้อนไม่มีหนาวไม่มีหิวไม่มีกระหายมันอยู่ที่ไหนโลกนี้มันต้องมีเพราะนั้นเรามาอยู่ในสถานไปอยู่ในสถานที่ใดจะเป็นข้าราชการงานเมืองจะไปทาไร่ทนานาทารั้วทำสวน ทำอะไรก็ตามก็ต้องมีขันติคือความอดทนเอาไว้นี่แหละอันนี้คือธรรมะข้อหนึ่งให้มีขันติทั้งจิตใจและทั้งกายด้วยทั้งใจของเราด้วยให้มีขันติข้อที่สี่จาคะให้มีการเสียสละต่อเพื่อนมนุษยชาติอันดับแรกเมื่อเราส่แสวงหาทรัพย์มาได้เราก็ควรจะบูชาพระคุณของบิดามารดาก่อนเพราะว่าบิดามารดาเป็นผู้มีอุปการะคุณสาหรับเรา จากนั้นเราควรบูชาพระคุณบิดามารดาก่อนที่เราได้ทรัพย์สมบัติมาคือทดแทนพระคุณท่านเ ใ, าาใช้นี่ท่านเมื่อกันท่านเลี้ยงเราดูเรามาแล้วเราควรจะใช้นี่ท่า น, นี่พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดหรือเปล่าในจุดนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามีแต่ขอแบบ่มือขอจากพ่อแม่อย่างเดียวแต่พอมีอันจะกินแล้วก็มีแต่ใช้ไม่รู้จักพอที่จะทดแทนพระคุณให้พ่อให้แม่นั้นโดยมากมีน้อยมาก แต่มีอยู่เพราะฉนั้นขอฝากไว้กับผู้กับหลานทุกคู่ทุกคนนะให้ระลึกถึงพระคุณให้มีการเสียสละให้พ่อให้แม่บ้างนะอย่าไปเอาจากท่านอย่างเดียวเนื้อหนังมังสาที่ตั้งแต่ศีรษะจนถึงจดเท้าเนี่ยเราได้มาจากใครได้มาจากพ่อจากแม่ท่านให้มาพอแรงแล้วขาสองแขนสองสมองหนึ่งแล้วเราได้มาจากพ่อจากแม่แล้ว ในเมื่อเราเอาขาสองแขนสองสมองหนึ่งไปส ะ, สะแสวงหาคุณงามความดีไปหาส ะ, ส ะ, ส ะ, ส ะ, สะแสวงหาเงินจากนั้นเราก็ควรจะทดแทนพระคุณของท่านไปด้วยนี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องไปคิด เ, เหมือนกันนี่แหละถ้าว่าพวกเราทําถูกต้องอทั้ง4ี่อย่างที่ว่าทําของคารวาสทั้ง4อย่างนี้หลวงพ่อว่าความสงบพร้อมเย็นเป็นจุกก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลาย สัจจะให้มีความจริงจใจและจริงใจต่อกันธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนขันติให้มีความอดทนจาคะให้มีการเสียสละต่อบุคคลที่ควรจะเสียสละนี่แหละธรรมของคราวาญให้คณะทาญาิโยมลูกหลานลูกหลานทั้งหลายจําเอาไว้นะและก็นําไปประพฤติปฏิบัติจากนั้นจากนี้หลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับภาคปฏิบัติเองเรื่องกิตภาวนานะเพราะว่าครูบาอาจาร มากม า, ายหลายหท่านท่านจะพูดเรื่องแต่เรื่องทานเรื่องศีลนะแต่เรื่องภาวนาเนี่ยโดยมากท่านจะไม่พ่อยได้พูดกันพูดก็พูดแบบผิวเผินไม่ไม่ละเอียดที่หลวงพ่อได้ฟังฟังแต่หลวงพ่อเนี่ยอาจจะละเอียดไปสักหน่อยก็ได้เพราะหลวงพ่อเนี่ยบางคนเขาว่าหลวงพ่ออินหลวงพ่อละเอียดเขาางั้นนะหลวงพ่อก็ไม่วาอะไรหรอกเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยพูดอะไรคือเรียงลำบากคือเหมือนเราจะเขียน กอไข่เราจะเขียนตัวไหนก่อนกอไข่ขอไข่ขอขวด1 2ึ่งสาสี่ห้าเราต้องนับหนึ่งเจ้า ก, ก่อนไม่ใช่ว่าเป็นนับร้อยทีเดียวท่านนับร้อยทีเดียวคนที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังเอ๊ะไอ้น้ำหนึ่งแล้มันมาจากไหนมันถึงร้อยเนี่ยจะว่าอย่างนั้นปีเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึง เ, เขียนแบาเป็นหนึ่งอันดับแรกคือทําอย่างไร อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายมานั่งอยู่ที่นี่แล้ทีนี้และพวกเราจะนั่งสมาธิก็จะนั่งภาวนาจะปฏิบัตินั้น จะทำอย่างไรในแนวแถวของอสายของหลวงปู่มั่นหรือว่าแนวแถวที่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่ออินนี่แหละกำลังโพดกําลังแสดงธรรมนี่ปฏิบัติอย่างไรอันนี้หลวงพ่อจะเป็นผู้ชี้นําชี้แนะให้แก่คณะทายาติโยมทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางถ้าพวกเราท่านทั้งหลายจะยึดองค์ไหนนํามาประพฤติปฏิบัติอันนั้นก็สุดแท้แต่เพราะเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลาย เหมือนตามบดคําช้างถ้าจะว่ายอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดเพราะเหตุไรเพราะเราพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังถ้าเกิดในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเป็นต้นาศาสดาเป็นต้นพระพุทธาศาสนาถ้ามีความคล่องใจตรงไหนเราไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะเป็นผู้ชี้บอกชี้นําบอกกล่าวแบบนี้นะทำอย่างนี้นะอันนั้นก็คือเราเกิดในยุคนั้นแต่บัดนี้พอเรามาเกิดสุดท้ายภายหลัง อไม่รู้ว่าใครผิดไป่รู้ใครถูกไม่รู้ใครจะตัดสินใจใครเหมือนกับพวกเราไปเจอช้างตัวหนึ่งตามบอดคําช้างถ้าว่าใครไปคําหางมันจับหามันเออช้าง เ, เหมือนกับไม้กวาดเลยแต่คนไปคําขาของมันโอ้ช้างเนเหมือนกับต้นเสาถ้าว่าคนไปคําสีข้างมันเออช้าง เ, เหมือนกับฝ้าบ้านมันจุดแท้แต่ใคร อถ้าใครไปคำหูมันเขาเออช้างเนี่เหมือนกับกระดง้งเมื่อช้างนอนไปคำหูของมันเนะมันก็เหมือนกับกระดง้งไ อ, อแต่เนี่ถ้าว่าใครเป็นไปคำงาของมัน อ, อคนจะพูดได้อีกอองาเนี่ยเหมือนกับท่อนไม้ อ, อ, อย่างเนี้เพราะนั้นพวกเราจะทำยังไง อ, อมาจุดท้ายภายหละ่ะเพราะฉะนั้นพวกเราถูก จริตนิสัยครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราคนนามาไขาควรทบทวนกับพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจา้าถูกต้องไหมตามหลักเกณฑ์ น, นี้แล้วก็ทําได้หลายองค์ท่านถามได้หลายองค์ท่านก็แนะนําไปใน แ, แนวแถวเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เขียนไว้ในตํำรับตําราเป็นแนวทางอย่างที่หลวงปู่เทศท่านเขียนชีวประวัติของท่าน เราอ่านดูซิเป็นยังไงหลวงปู่ขาวท่านเขียนชีวประวัติของท่านท่านให้ทํำยังไงที่ท่านได้ผ่านไปแล้วอย่างหลวงปู่มั่นให้ท่านได้ปฏิบัติผ่านไปแล้วเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าครูบาอาจารย์เหล่านั้นอธิษฐานของท่านก็ได้กลายเป็นประทานเป็นเครื่องยืนยันอยู่แล้วอันนี้คือพระอรหันต์แนวความคิดที่ผ่านไปแล้วที่ท่านพูดไว้แล้วคือคําพูดของพระอรหันต์ เพราะนั้นเราถึงใครจะพูดทีหลังยังไงก็ตามเราก็ต้องมาเปรียบเทียบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านได้ผ่านไปแล้วนั้นอันนี้คือพวกเราให้รู้จักสังเกตให้รู้จักเปรียบเทียบในการ ป, รปฏิบัติของพวกเราแต่หลวงพ่อจะแนะนําก็คือหลวงพ่อว่าคือเมื่อเราไหว้พระสมมติเราอยู่บ้านของเรานะเอาอยู่บ้านของชีวิตประจําวันของเราเนะี่ยล่ พวกเราไหว้พระจบแล้วอ า, อาหารสวากาโตสุปฏิปโนหรือเราจะสวดยอดพักกันอะไรก็ตามหรือจะสวดอะไรก็ได้สวดมนต์ไหว้พระแต่ถ้าเราอยู่ตามลําพังไม่มีใครเราควรจะดับปิดวิทยุโทรทัศน์ปิดโทรศัพท์อย่าให้มันมีสิ่งใดรบกวนในขณะที่เรานั่งภาวนานะในเมื่อเราไหว้พระเสร็จแล้วต้องปิดดับแต่ถ้าว่าพวกเราอยู่ในบ้าน มีลูกมีหลานเขาฟังดูโทรทัศน์อะไรอยู่ก็ให้เข า, เาพักผ่อนซะก่อนให้เขาหยุดซะก่อนหรือว่าเขาหยุดการดูซะก่อน เ, อเราจงค่อยปฏิบรรัติทมแต่อย่าไปทำในช่วงที่เขากําลังดูหนังดูละครอยู่ถ้าเราเขาดูหนังดูละครเราไปนั่งภาวนาในชุดนั้นในจุดนั้นจิตของเราจะไม่สงบนะเพราะว่าเสียงเป็นอันตรายต่อสมาธิพูดอย่างนั้นได้ ตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสียงเป็นอันต ร, รายต่อสมาธิเพราะฉะนั้นต้องให้ระงรับระงรับเสีย ง, งก่อนเสียงให้น้อยที่สุดแต่ว่าถ้าเป็นเสียงคนเนี่ยอันต ร, รายต่อสมาธิท่านเน้นลงไปอีกว่าเสียงหญิงเป็นอันต ร, รายต่อสมาธิของชายเสียงชายเป็นอันตรายต่อสมาธิของหญิงท่านเน้นลงไปอีกจุดนั้นอีกเพราะฉะนั้นจะทํายังไงจึงไม่ให้มีเสียง อันนี้เราก็ต้องหลีกเล้นเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงผักตะไายบาดแบกกดเข้าไปอยู่ในป่า ด, ดงพงไผ่ลึกต่อลึกไป ง, งั้นหรือไปอยู่ในถ้ำในเหวไปอยู่ในป่าชา้าไปอยู่ในที่สงบสงัดนี่แหละท่านหลีกเล้นเสียง ค, คือไม่ให้ได้รับเสียงต่างๆแต่จะเป็นเสียงนกเสียงกาเสียงต้นไม้เสียงอะไรเนี่ยนั้นเสียงเหล่านั้นเป็นเสียงธรรมชาติไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่เสียงมนุษย์เนี่ยเป็นพิษเป็นภัย ในการทําสมาธิอันนี้ก็ขอบอกไว้ให้แก่คณะรัตยาญาติโยมลูกหลานให้เป็นข้อสังเกตนะแต่ที่ทางนี้ทางนั้นถ้าว่าเราจะไม่ให้มีเสียงเลยก็ไม่ได้มันก็ต้องมีแต่ว่าอย่าให้มันมากจนเกินไปนี่เปนวิธีการจากนั้นเมื่อเราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แผ่เมตตาสุดท้ายเราแผ่เมตตาข้าไปเจ้าจงเป็นถุกถ้าว่าเรา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 นั่งคัดสมาธินะนะั่นะทีนีเ้เข้านั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธินี่ขาขวาทับขาซ้ายแต่ก็อยู่ในความสงบอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าอยู่ในมุมสงบตอนนั้นแหละไม่เสียงไม่พุทพกผ่านวุ่นวายถ้าอยู่ตามลำพังอยู่ในกุฏิของพระหรือกุฏิในวัดวาศาสนาอย่างนีน้ถ้าเราไปปฏิบัติกันเราก็นั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราปนมมื อ, อปนมมือขึ้นระหว่างอกซะก่อน เราไหว้ครูซะ ก, ก่อนไหวพรอพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์สแสดงความกตัญญูอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเรานึกถึงพุทธโธเพราะเราปฏิบัติธรรมเนี่ยคือพอพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําเป็นผู้สั่งสอนเป็นผู้ประกาศเผยแผ่มาแก่ให้พวกเราได้ศึกษาเราจึงบริกรรมพุทธโทไหวครูหรือพุทโทธรทรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆสามจบ จากนั้นก็แผ่เมตตาในใจบอกว่าข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างข้าพเจ้าปรารถนาด้วยเทินอันนี้ทําไมเราจึงแผ่เมตตาเพราะว่าไม่ให้เราจิตมีพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งหมดในขณะที่เรานั่งภาวนาเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคในการมันขวางใจของเราถ้าเราไปโกรธไปโมโหโทโสโกท้ายแก่ใครๆอยู่นะ อันนี้ออกมาจากใจจริงของเราในช่วงนี้เราจะไม่ถือโทษโกรธเคืองกับใครๆทั้งหมดอในขณะที่เรานั่งภาวนาเนี่ยจากนั้นก็เอามือลงพอมือลงจากนั้นก็นบริกรรมเลยหายใจเข้าหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโถอันนี้คือกรรมฐานของหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นท่านแนะนําให้แก่คณะศิษยานุศิษย์ของท่านอย่างหลวงปู่ขาวหลวงปู่ล่าหลวงตามหาบัวองค์ไหนก็ตามที่ท่าน ได้รับคำสอนมาจากองค์หลวงปู่มันท่านจะแนะนําว่าให้ภาวนาพุทโธเนอะพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอันนี้ก็คือให้สังเกตให้อารมณ์เอาสติจับที่ปลายจมูกของเราเวลาหายใจเข้าพุทแล้วหายใจอออกโทแล้วบางทีผมจับลมไม่ได้ครับหลวงพ่อเนี่ยทำยังไงให้เราหายใจแรง สักสองสามพืดูนะเวลาหายใจเข้าพุดหายใจท้างกระแทกอลังแรงพูดแล้วก็สังเกตเวลาหายใจเขา้าอีกกระแทกอีกสักสี่ห้าหกเจ็ด8ปดทั้งเก้าทั้งสิครั้งนะจากนั้นเราจะรู้ได้ว่าลมกระทบที่ไหนแล้วก็ผ่อนผ่อนผ่อนผ่อนผ่อ น, อ น, อนเราจะรู้ได้ว่าเออลมกระทบที่ปลายจมูกหรือดั้งจมูกจากนั้นเราก็หายใจเขา้าเราก็บริกรรมว่าพุทไม่ต้องตามลมเข้าไปนะ หลวงปู่มั่นท่านบอกไม่ให้ตามหลมเข้าไปถึงปอดมืองนั่นแะแล้วก็ไม่ให้ตามลมออกไปให้อุปมาอุปไมยก็เหมือนเรายืนอยู่ข้างประตูนั้นแหะเวลาคนเข้าไปในอาคารเนี่ยข้างพระเจดีย์เนี่ยเรายืนอยู่ข้างพระเจดีย์คนจะเข้าไปกราบพระเราก็ไม่ต้องตามคนเข้าไปแล้วเวลาเขาออกมาเราก็ไม่ต้องตามคนออกไปเรายืนอยู่ข้างประตูว่าเออคนเข้าอันนี้คนออกอันนี้คนเข้าอันนี้คนออกอันนี้ก็เหมือนกันให้เรายืนอยู่ ให้เอาสติจับอยู่ที่ปลายจมูกเวลาหายใจเข้าเราบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทพุทโทพุทโทพุทโท อ, อ่อันนี้ถ้าจะเปรียบเทียบกับกรรมฐานของพระพุทธเจา้าที่ที่หลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกลูกหลานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้รับคําแนะนําสั่งสอนมาจากองค์หลวงปู่มั่นท่านก็มาประพฤติปฏิบัติท่านก็ได้สําเร็จมรรสําเร็จผลต่างๆ ทำไมจึงว่าสําเร็จก็เพราะว่าอธิธาต์ของท่านได้กลายเป็นพระธาตุอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวฟังดูซิในประวัติของท่านโดยมากท่านจะยึดกรรมฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นแนะนําสั่งสอนท่านจากนั้นท่านก็ได้นําที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมานั้นมาบอกกล่าวให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอันนี้คือกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์แนะนําแต่ที่เรามาเปรียบเทียบในพระไตรปิฎกที่ที่เราได้ศึกษา อย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านวันที่ท่านได้ตัดสรู้นั้นท่านทำอย่างไรนี่อันนี้เราก็ควรจะเปรียบเทียบถึงบอล ม, มักครูของพวกเราอีกเหมือนกันคือต้นพระพุทธศาสนาคือระษาสดาจากนั้นพระองค์ทำยังไงในวันเดือนหกเพนนนั้นพระองค์ก็ไม่นั่งสมาธิอยู่ที่โคนต้นโพในวันเดือนหกเพนก่อนพระอาทิตย์อย่างพระอาทิตย์ยังไม่อัดดงพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะฮะพระพระองค์ นั่งขัดสมาธิที่โคลต น, ตนต้นโพนั่งที่นายโสธิยะนายาคามาถวายท่า น, น, นกับปูราดลงที่โคลนต้นโพนั่งขึ้นเป็นนั่งที่ยาคาปูราดที่8กํามือนั่นแหละจากนั้นท่านก็าหันหน้าหันพระพักไปทางทิศตะวันออกในเมื่อนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้าคือมีสติสัมปชัญญะมีสติเฉพาะหน้าท่านก็กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นยาวมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกจากนั้นจิตของพระองค์พระไทยของพระองค์ใจของพระองค์ตัวรู้รู้ของพระองค์เข้าสู่ความสงบจิตใจสงบ นิ่งรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมลงเป็นหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าท่านระ ล, ลึกชาติทุนหลังได้เกิดญาณทัศนะระลึกชาติทุนหลังได้อันนี้คือเป็นพุทธะนะระ ล, ลึกชาติทุนได้แล้ปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติทุนหลังได้นี่แหละในหลักของพระพุทธศาสนานี่พระพุทธองค์ยืนยันหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราพวกองค์ท่านยืนยันมาตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกเพราะเหตุไรเพราะ นั่งภาวนาและจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วร่างกายเนี่เป็นส่วนหนึ่งส่วนจิตใจนี่เป็นอันหนึ่งแต่มันอาศัยกันอยู่กายกับใจอาศัยกันอยู่เป็นคนละอย่างกันเหมือนคดเหมือนกับรถกับคนกับรถเนี่ยหลวงพ่อไปพูดที่ไหนหลวงพ่อเคยพูดให้ให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาว่าร่างกายเนี่เหมือนกับรถ่วนจิตใจของคนเหมือนกับคนกับพรถมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันคนขับรถนั่นละ่ะตัวนั้นแหละพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญอย่างมาก ในหลักของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่ามนโนปุพังเข้ามาธรร ม, มรรามนโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละท่านให้ความสนใจเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายนะเพราะฉะนั้นนี่แหละหลวงปู่มั่นท่านก็แนะนําสั่งสอนให้แก่ให้แก่พวกเราทําใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งแต่บางท่านบางคนลูกหลานของเราเออมันทํายากนะหลวงพ่อ พอกำหนดเข้าไปแล้วมันคิดไปที่ไหนก็ไม่รู้แต่ถึงยังไงถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความใส่ใจในการกําหนดกรรมฐ า, านไม่เหลือวปิสัยเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเคยทํามาแล้วมีวิธีหลายๆวิธียาวากรรมฐ า, านสี่สิบนะกรรมฐ า, าน40ที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้กรรมฐ า, าน40อย่างเรียกว่าเชือกสี่เส้น ที่จะมามัดจิตใจของเราให้เข้าสู่ความสงบนั้นคือกรรมฐาน40ท่านยึดอะไรบ้างอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเราจะบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างถ้าจิตใจของเรามันคิดป้วงฟุ้งออกไปข้างนอกให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้จิตใจรวมเข้าสู่ความสงบคือให้อยู่ในขณะที่จิตนึกคิดนั่นแหะคือไม่ให้มีช่องว่างเลยให้มีพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในขณะที่ใจคิด อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอันที่สองก็คือหลวงพ่อแนะนํำญาติโยมพี่น้องประชาชนบอกว่าทดลองดูน ะ, ะให้เรานับดูหายใจเข้าเรานับหึงหายใจออกเรานับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่นับไปถึงร้อยมันเผลอไหมถ้ามันไม่เผลอนับใหม่อีกอนับถึงร้อยอีกถ้ามันเผลอเนี่ยมันจะเบอร์เบอร์เบรเบอร์้รรหาหายใจ เข้าเนี่ยมันจะเป็นเลขคู่หายใจออกมัจะเป็นเลขคี่นะเวลา เ, ล เ, ลเรานับหายใจเข้าเนี่ยเป็นเลขคี่หนึ่งใช่ไหมหายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าเป็นเลขคี่สามหายใจออกเป็นเลขคู่สแค่ น, ขข น, ขขนี้เรานับถึงร้อยมันไม่เผลอก็แสดงว่าสติของเราดีแล้วนะเป็นถึงนาทีกว่ากว่านะนับถึงร้อยนะแต่ถ้ามันเบอร์บ่อยๆหลงบ่อยๆไม่ดีแล้ว น, นะอให้เราควรตั้งใจให้เข้มแข็งขึ้นกว่านั้นอีกตั้งขึ้นไปเข้มแข็งอีก เออในแหละให้พยายามตั้งจิตใจให้เข้มแข็งถ้ายังเข้มแข็งขนาดไหนไมันยังเบอร์อยู่มันยังหลงอยู่ไม่น่าไว้ใจนะไม่น่าไว้ใจเพราะเหตุอะไรถ้าเผลอมากๆแต่เป็นบ้าได้ง่ายๆนะคนขาดสตินะี่คือคนที่มันเป็นบ้าคนขาดสติเพราะนั้นเราจะไปดีใจนะถ้ามันเผล่ บ, บ่อยๆนับไปยังไม่ถึง10เผล่ไม่รู้ว่ากี่ครั้งนะ่ะเพรนั้นแปลว่าใช้ใช้ไม่ได้ละ เ, เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทธายาติโยมลูกหลานนะให้สังเกต เวลาหายใจเข้า เ, เราบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโถแล้วหายหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองเวลามันจะเบอรมันจะเบอเบอเบอร์ซะก่อนหายใจเข้า15หาายใจออก16หหายใจเข้าเป็น16หหายใจออกเป็น17อย่างี้มันเป็นหายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขคี่แปลว่ามันลงแล้วนะเพราะนั้นขอให้ทุกหลานทุกคนนะให้สังเกตอันนี้นคือวิธีการกาหนด ลมหายใจแต่บางท่านบางค น, นยุคนี้หลวงพ่อกเริ่มได้ยินบอกว่าเ อ, เ, อเวลาเดินจะกรมทํำยังไงหลวงพ่อเนะเดินจกรมเนะี่ยเรากําหนดทางเดินให้ห่างให้ก้าวโดยประมาณสักสิบยี่สิบก้าวหรือสามสิบก้าวเป็นอย่างยาวนะแต่เราไม่ต้องเดินช้าไม่ต้องยกก้าวเวลาเราจะเดิน เ, เราจะเดินในปูนฉาบแล้ว่าเดินในบ้านของเรามีถนน เราวางกิ่งไม้หรือกระดาษวางไว้ตรงทางส้นจุดทางจงกรมแต่ละข้างพอวางกิ่งไม้เสร็จแล้วหรือว่าวางกระดาษเสร็จแล้วหรือวางผ้าตรงนั้นเราก็เดินเมื่อเราก็ปั่นมมือในสุดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งเราปั่นนมมือซะก่อนไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรรมโอสังโฆอย่างที่เหมือนเราเรานั่งสมาธิจากนั้นก็แผ่เมตตาพอเมตตาเสร็จแล้วเราก็บริกรรม ขาขวาพดขาซ้ายโถ่เรื่อเราจะออกกําลังกายลหลบนองประจักเนี่ยเราจะฟิ้งจ็อกกิ้งนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธพุทธโถพุทธโถก็ได้เหมือนกันคล้ายๆว่าเป็นการภาวนาอีกเหมือนกันคือให้มีสติในการก้าวเดินไม่ให้มันเผลอว่าือนันเดอะเรื่องเราจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ไปเกสิบไม่ให้มันเผลอได้ไหมเหรนี่แหละเป็นการฝึกสติได้ทั้งนั้นสรุปแล้วก็คือการภาวนาคือเอาสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองนะจากนั้นเรา อย่างที่เราเดินยังกรมขาขวาพุทธขาซ้ายโถเดินปกตินะไม่ต้องเดินช้าไม่ต้องแบบแบบยกขึ้นมาแล้วพุทยกตรงไปโถอย่างนั้นแอบโดยมากสายหลวงปู่มั่นครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่มั่นท่านบอกขาขวาพุทธขาซ้ายโถเราเดินปกตินะเราเดินยังไงเราเดินไปทําหน้าที่การงานเราเดินยังไงเราก็เดินอย่างนั้นแหะแต่ให้มีสติในการเดินการเดินเดินนั่นคือการเปลี่ยนอริยาบทยืนเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอริยาบท ดืนเดิ น, ดนพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธหาขวาพุทขาซ้ายโธพุทธโธพุทโธนี่แหละการเดิน เ, เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะไปเดินณวัดไหนก็ตามไปเดินณสถานที่ใดก็ตามอันนี้แหะคือความถูกต้องอแต่ว่าการเดินนั้นมือของเราเอาไว้ที่ไหนหลวงปู่มั่นท่านก็บอกนะอบอกปู่บายอาจารย์ว่าอย่าเอามือกอดอกถ้ามือกอดอกเหมือนกับเจ้าทุกข์มองดูแล้ว ไม่น่าดูแต่เราจะเอามือควายหลังจเอามือขัดหลังแล้วควายหลังเดินอย่างนั้นเหมือนกับท่า น, นักเลงขาดความเคารพอย่าไปกวยแขนกวยแขนคล้ายๆกับขาดความเคารพเหมือนธรรมดาเหมือนกับเดินหาสิ่งของอย่างนั้น่ะมันเหมือนกับไม่ใช่เดินปิดจิตเจะลักษณะถ้าเดินภาวนาแล้วเอามือมาเอามือขวาทับมือซ้ายที่หน้าท้องหน้าท้องน้อย เอ่่นั่เอามือไขว้ตรงนั้นนะ่ะมือกับพระลำพึงอย่างนั้นน่ะเอ่แล้วก็เดินพุทโธพุทโธพุทโตอันนี้แหละ ว, วิธีการเดินจงกรมแนวแถวของสายหลวงปู่มั่นเนีพวกเราจะไปเดินนักสถานที่ไหนไม่ต้องเคอะเคอะเคิรดเคิร์ดเหมือนันเะเอ่ไม่ต้องเคอะเคอะเคินเคิดเดินอย่างนี้แหละเดินภาวนาเดินจงกรมตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของพวกเราอันนี้คือวิธีการเดินส่วนการนั่งนะ่ะหลวงพ่อก็ได้พูดแล้วนะ ส่วนการนอนหลวงพ่อไม่แนะนำแล้วนะพ่อนอนเข้าไปมีตลับอย่างเดียวนะโดยมากนะท่านเรานอนไม่หลับเออไม่เป็นไรเราเจ็บไข้ได้ป่วดวริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปเลยเ อ, อันนั้นก็ได้นะ เ, เปลี่ยนเรียบรส่วนยืนยืนนะแต่ต้องมีสิ่งที่พิงพิงหลังในครั้งพุทธการท่านให้ยืนที่พิงพิงกระดานยืนพิงกระดานจะไม่ลงท่านเราด้อ ย, ยืนธรรมดาน่ยมันจะโงนเงินงนเงินงนเงน มันจะล้มฮะเพราะฉะนั้นยืนเดินนั่งนอนเราจะทําเอาเรียบทไหนก็ได้แต่ได้มาพูดเกี่ยวกับเวลาเรานั่งภาวนาท่นี่มันจิตใจสงบแล้วเดินจิตใจสงบได้ไหมหลวงพ่อได้เอ่เวลาเดินเดินไปเร า, เาสติสัมมีสติสัมปชัญญะในการเดินเวลาจิตจะสงบเนี่ยขาเนี่ยมันจะเช็ดเข้ามาเองเลยนะหยุดยืนจุดนิ่งเลยเอ่มันเดินไม่ได้ละพอจิตจะสงบเป็นหนึ่งอันนี้ก็คือ จิตสงบได้ในการเดินยืนเดินนั่งนอนจิตสงบได้ทั้งนั้นแต่วิธีการนั่งโดยมากครูบายอาจารย์ท่านจะแนะนําในการนั่งใช้มากกว่าจากนั่นการนั่งเวลาเรานั่งพุทนาพุทโธพุทโธอย่างที่ว่านี่นะเรียกว่ากํำลังลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทธหรือว่านับหนึ่งสอสจิตใจของเราลงพุทโธพุทธพุทโธจนไม่มีช่องว่างที่จะจิตใจขอ ง, ของเราจะเรีดรอดออกไปข้างนอกนี่แหละวิธีการ มีตม้อมีทั้งหลายอย่างนะกรรมฐานพุทธานุสติแล้ลึกถึงคุณของพระพทุทธเจ้าธรร ม, มานุสติแล้ลึกถึงพระาารธรรมสังขานุสติศีลานุสติแล้ลึกถึงศีลจาคานุสติแลลึกถึงทานเทวตาแล้ลึกถึงผู้ที่จะไปเกิดเป็นเทวดาทําคุณงามความดีอย่างไรจนถึงอาณาปานสติแล้ลึกถึงลมหายใจเข้าออกอุปจมานุสติแล้ลึกถึงคุณของปณิพานคือทําจิตใจให้ว่างมีมากมายกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ จากนั้นก็ินสิบอีกแต่เราจครูบาอาจารย์ท่านจะไม่แนะนําท่านแนะนําแต่ว่าอนนาปานาสติเนี่แหละ เ, เป็นกรรมฐานที่ว่าเกือบถูกกับทุกจดิตหลวงปู่มัน่นท่านบอกกับลูกศิษย์ของท่านอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงปู่มัน่นพวกเราควรจะกําหนดลมหายใจเข้าออกนะหลวงพ่อว่านะให้จริงให้จังถ้าไม่ถูกกับเจดิตย่่ค่อยย้ายไปกรรมฐานอื่นแต่จะไปเปลี่ยนกรรมฐานเร็วนะ พอนั่งวันนี้คืเปลี่ยนกรรมฐานหนึ่งวันนี้ก็เอาหลวงพ่อจันรวันนี้ก็เอาหลวงพ่อปากนา้ําวันนี้ก็เอาหลวงปู่มั่นวันนี้ก็เอาหลวงปู่เสาพระองค์หล ว, วงปู่ขาวเลยไม่รู้จะโอ๊ะองหลวงปู่ไหนสับสนวุ่นวายไปหมดเหมือนกับเราปลูกต้นไม้อพอองค์พอปลูกวันนี้นะวันวันพุ่งหน้าเขาว่าอู้ปลูกต้นนี้ไม่เหมาะไปปลูกย้ายไปพอได้สวนย้ายทั้งปีทั้งชาติต้นไม้โตไม่ได้ทีนี้เพราะเหตุไรพอเรา ไม่จริงจังในการปลูกพอปลูกเสร็จแล้วนะเราต้องรักษาไม่ให้ต้นไม้คุม้มไม่รักษาสาน้ํารักษาเอาปุ๋ยใส่พอประมาณ อ, อแล้วก็รดน้ําอย่าให้มีเทวันไปพันรักษาให้ดีเมื่อปลูกแล้วมันก็จะเป็นต้นเป็นลําขึ้นมาเป็นดอกออกผลขึ้นมาได้แต่ถ้าเราย้ายอยู่เรื่อยมันจะไม่เกิดประโยชน์นะคล้ายๆว่าแล้วก็มาทวงแต่ ภาวนามาตอนนั้นปีทอนนั้นเดือนไม่เห็นมันก้าวหน้าไปที่ไหนเพราะตัวเองทําไม่ถูกเมื่อเราย้ายต้นไม้อยู่เรื่อยๆมันจะเกิดประโยชน์อะไรไ่มมันจะออกดอกออกผลได้ยังไงเพราะเราย้ายต้นไม้บ่อยๆมันก็ไม่โตนี่ก็เหมือนกันนะั่นแหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ทุกท่านนะที่หลวงพ่อได้กล่าววิธีการภาวนาให้ยึดแนวแถวหลวงปู่มั่นกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกถกให้จริงจังและจริงใจ พยายามทำให้มากที่สุดจากนั้นก็กำหนดอย่าให้จิตใจปูงพุ้งไปทางอื่นให้มีสติอยู่กับตัวเองในเมื่อเราทำาถ้าเรามีความจริงจังและจริงใจแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในความสงบหลีกเล้นอยู่ตามความสงบอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวอีกสักวันหนึ่งนะใจของเราจะเข้าสู่ความสงบแล้วเป็นยังไงหลวงพ่อเองผ ล, ลอะไรสิจะถามถึงผ ล, ลเมื่ออันนั้นคือเหตุนะ คือพวกเราทําเหตุเหตุคือทำอย่างนั้นวิธีการปฏิบัติทำอย่างนั้นคือเหตุแต่ผลจนะออกมาอย่างไรหลวงพ่อจะอธิบายเรื่องผลให้ฟังพอเป็นแนวทางนะ เ, เมื่อเรานั่งสมาธิใจิตใจของเราอันดับแรกนะถ้าเราไม่ปุง่งไม่ฟุง้งไม่ซ่านใจของเราจะเข้าสู่ความสงบรวมลงเป็นหนึ่งนะมันจะรวมเพียงวา่านะเคือวนะคือมันเย็นสบายในช่วขณะหนึ่ง เออมันคล้ายๆว่าจิตใจเย็นสบายผิดปกติไม่เคยมีมาก่อนแต่ก่อนเราไม่เคยมีอย่างนี้แต่มาคราวนี้เรานั่งภาวนาทําไมใจของเราเย็นสบายอย่างนี้เออทำไมมันผิดปกติอย่างนี้อันนี้เรียกว่าคณิกาสมาธินะคณิกาสมาธิคือจิตที่เป็นสมาธิอันดับแรกเป็นครั้งหนึ่งเรียกว่าคณิกาสมาธิแต่เมื่อเรามีความพยายามมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติของเราอีกอยู่ ให้เข้าว่าดูจุดนั้นแต่เราไม่ต้องอย่าไปใส่ใจนะเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเยียนสบายเอ๊ะเมื่อคืนนเราล่างนั่งภาวนาใจสบายโอย้อยแต่แค่มันเป็นอย่างนั้นอีกเราอย่าไปคิดนะถ้าคิดอย่างนั้นคือความอยากในจิตใจของเรามีจะไม่เป็นเราไม่เป็นต้องหาใหม่อีกเราไม่ต้องใส่ใจละเหมือนกับเราทานอาหารเมื่าอวานอร่อย อ, ร, อ, ร, อ ร, ร่อยอร่อยมันก็ผ่านไปแล้วนี่เออเราต้องหาหา ม, มาใหม่เออเอามาทานใหม่เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละ เราจะไปเอาเอาของเก่ามามาคิดนะถ้ามาเอาของเก่ามาคิดเลยมันเกิดความอยากเปิดความอยากมันจะจิตใจของเราจะไม่สงบนะพอจิตใจมันจะเข้าสู่ความสงบแบบนั้นอีกโอ้เอเหมือนเหมือนเหมือนมืนจะสงบอีกแล้วมันก็ถอยจ้าดไปทางอื่นไปซะเพรอท่านเราจะไปจะไปคิดมันเมื่อมันสงบขราวที่แล้วกับผ่านไปแล้วตอนนี้เราต้องหาใหม่ต่อไปเราพยายามดูดูดูก็ไปมันจะสงบถึง มันจะสงบต่อไปมันจะสงบเยือกเย็นไปในเดือนเพราะเรามีสติมีสติสัมปชัญญะมันเป็นพอมันเจอตุนั้นขึ้นมาแล้วจิตใจของเราก็มันมีกําลังขึ้นมาหน่อยหนึง่งเอ๊เดี๋ยวเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอีกวีว า, าพยายามทําอีกทีนี้มันมีกําลังใจแล้วนะท่านเริ่มมีกําลังใจขึ้นมาแล้วจากนั้นเราก็บัตกรรมพุทโธพุทโธพุทโธให้ต่อเนื่องเลยจากนั้นสติของเราก็แก่กล้าแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อย แต่ให้กับควบคุมใจของเราอยู่เลยใช่ไหให้เขาว่าสติของเราเนี่ยควบคุมตัวผู้รู้คือใจของเราใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรเราจะรู้ได้ด้วยตนเองถึงแต่ก่อนมันคุมไม่อยู่นะพอคุมไปปั๊ปุ่นแว บ, บนี่ปัแบบ๊บจนคุมไม่อยู่แต่บัดนี้มันป แ, แปลกแตกตานะ่างแสติคุมสติคุมใจของเราเรานึกคิดเรื่องอะไรจะไตายใจของเราดิคุมควบคุมอยู่ใจของเราอยู่ อยู่ในกรอบของสติทีนี่นี่แหละอันนี้ท่านาน้ำท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิจิตใจรู้ว่ามันไปแต่ว่าไปเนี่ยแต่ว่ามีสติสัมปชัญญะในการควบคุมจิตดวงนั้นอยู่มันจะไม่ทะเลถลายมันไม่หิวไม่โหยมันไม่ออกนอกรูนอกทางสติของเราควบคุมจิตดวงนั้นได้อยู่อันนี้ว่าอุปจาระสมาธินะแต่นี้เมื่อเรา พยายามมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยู่ดูจิตใจดูนั้นอยู่ตลอดเนี่ยไม่เผลอไม่ไปทางอื่นเดมันจะรวมลงไปอีกลึกลงไปอีกลงไปคราวนี้เป็นอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี่เรานั่งอยู่ในสถานที่นี้เราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเสียงมาเฮาเสียงมาหอนเสียงอะไรก็ตามเราจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าไม่ได้ยินทางนั้นเสียงรถเสียงรไม่ได้ยินเราอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้จะว่าเราอยู่ที่ไหน แต่เราสติกับจิตนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นเรารู้ด้วยตนเองเนีมันคลเข้ามีความสุขยันอยู่ในใจิตใจจากนั้นมันกระถอนขึ้นมาเองบางทีก็ได้นานบ้าง4ีห้านาทีสิบยนาทีสุดแท้แต่กําลังแของใจของใครจะกําหนดได้ยังไงอันนี้คืออัปปนาสมาธิเรื่องสมาธิมีอยู่สามขั้นเท่านี้ ขั้นี้กะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจากนั้นจิตใจของเราถอนออกมาจากสมาธินี่แหละเพียงจิตใจของเราถอนออกจากสมาธิอัปปนาสมาธิท่า น, นเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไม่ต้องถามใครทีนี้โอ้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ พ, พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนมาจริงจริงว่ะร่างกาย เ, ยเป็นอันหนึ่งแต่จิตใจนั้นโดดเด่นและเกิน เป็นอัปปนาสมาธิใจของเรานึ่โดดเด่นแต่ร่างกายนี่เป็นอันหนึ่งใจนั้นเป็นอันหนึ่งนี่แหละตัวที่เราเห็นว่าโดดเด่นนี่แหละตัวนี้แหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆตัวนี้แหละเป็นตัวการใหญ่กิเลสตาคะโทสะโมหะมันอยู่ในนี้มันอยู่ในตัวใจดวงนี้เองี่เราจะเห็นได้ชัดเลยทีนี้เพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะนี่แหละคือเรื่องสมาธิมันมีอยู่สามเพียงสามระดับเท่านี้ ขณะอุปจาระปนาสมาธิคือจะทำยังไงกับเตียงเท่านี้เรื่มสมาธินะจากนั้นเดินวิปัสนาทีนี่วิปัสนาเราจะเดินอย่างไรทีนี่หลวงพ่อจะแนะนําวิธีการเดินวิปัสนาวิปัสนานั้นคื อ, คอเมื่อออกจากสมาธิแล้วในขณะที่เป็นอัปปนาสมาธิเนะี่ยทำอะไรไม่ได้นะพิจารณาอะไรไม่ได้ให้ายๆแบบมันลึกเกินไปจิตใจที่พิจารณาได้เนยะคืออุปจารสมาธิ หรือจิตธรรมดาจิตใจของเราธรรมดานึกคิดเปรียบเทียบออกเปรียบเทียบในอย่างเราไปเห็นคนตายเนี่ยคนมาเผาทิพย์โพลเรามาเก็บกระดูกจะได้เออคนเราเนี่ยถึงจะใหญ่โตขนาดไหนยศท้ามดาศักสูงส่งขนาดไหนผลที่สุดก็มีแต่กระดูกอย่างนี้เราก็เหมือนกันกับเขาเขาก็เหมือนกันกับเราดีละอันนี้แหละอันนี้เริ่มวิปัสนาแล้วนะี่วิปัสนาคือวิปัสสนึกเปรียบเทียบเขากับเปรียบเทียบเราน ะ, นะเราเนี่ยถ้ามีชีวิตอยู่อย่างนี้ เราก็ว่าเราเนี่ยละ่ะ เ, เป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่ไปที่ไหนสะดวกสบายแต่อีกสักวันรนะ่างกายของเราจะต้องถูกเผาไฟทิ้งทั้งหมดเพราะนั้นใจนะต้องทำใจนะต้องพิจารณานะใจนะร่างกายของเรา เ, เ, พ, า เ, เพรดะพรเจ้าท่านบอกท่านกล่าวไว้แล้วนะเกิดแก่เจ็บตายเรานี่เกิดมาแล้วต่อมานี่ยเราก็แก่เ น, เนี่ยแหละหูของเราตาของเราเออมันผิดที่ผิดทางไปแล้วเดี๋ยวนี้ หูก็ตึงตาเขาฝ้าฟังผมก็งอกไปแล้วนี่นี่แหละอันนี้แหละคือวิธีวิธีวิธีคิดนะในเมื่อเราพิจารณาใจของเราพิจารณาถึงร่างกายในเมื่อพิจารณาร่างกายก็เห็นอันิจังทุกขังอนัตตาร่างกายสังขารนะไม่ใช่ตัวตนของเรานะถ้าเป็นตั ว, ต, ว, ต, วตัวตนของเราเราบอกว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะมันบอกไดไ้บอกไม่ได้ กายกับใจรู้กันแล้วนะจิตเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิแล้วมันรู้ได้นะกาเป็นอนหนึ่งกายเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราจิตรวมเราเราจะแยกออกจากกายกับใจอาศัยกันนะเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วใจก็เกิดความเบื่อหน่ายในคล้ายๆ่ารู้แจ้งเห็นจริงในในกาย ใ, ใจของเราก็รู้ใจของเราก็คือส่วนหนึ่งใจกายของเป็นส่วนหนึ่งมันคนละส่วนกันนะจิตนั่นขอให้พวกเรา วิธีการปฏิบัติหรือวิธีการภาวนานี่แหละจากนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นร่างกายว่าไม่ไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องถูกเผาไฟทิ้งแน่นอนเพราะนั้นเราอย่าไปคิดว่าร่างกา ย, ยาเป็นของเรานะในเมื่อร่างกายไม่เป็นของเราดิสามีภรรยาลูกหลานเงินคำทรัพย์สมบัติเลือกสวนไรน่นากิจการร้านค้าต่างๆเป็นของเราได้อย่างไรเพราะเหตุใด ขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ของเราและส่วนอื่นจะเป็นของเราได้อย่างไรใ น, ในเมื่อเราพิจนารณาอย่างนั้นแล้วใชนในใจของเราข้มขงบนก็เรารู้สึกว่ามันจะรู้สึกปล่อยรู้จักวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแต่ส่วนภายนอกนั้นเรายังยึดอย่างเก่าเรายังทําอย่างเก่าเพราะเรามีหน้าที่จะต้องดูต้องกินจะต้องใช้ต้องสอย ต, อต้องไปมาหาสู่กันแต่ภายนอกเนี่ยเราทย่าให้ขาดตกบกพร่อง แต่สวนในใจลึกๆเวลาเรานั่งภาวนาแล้วต้องคิดว่าใจเอ้ยอย่าไปหลงสิ่งภายนอกนะมันไม่ใช่ของเรานะอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งทั้งหมดนะใจนะนี่แหละถ้าเมื่อเราพิจารณาหรือว่าเราใช้ทำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามากำกับทางด้านจิตใจแล้วใจของเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงจากนั้นก็รู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นน่แหละอันนี้แหละคือธรรมะ ท, ำทำคำสอนของพระพุทธเจ้า มันไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจกิเลสอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจความหลุดพ้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนะัเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดไปมันเหมือนกับฐานฐานพระเจดีแต่พอเอาจิงจริงจังๆขึ้นมาโน่นยอดพระเจดียอดพระเจ ด, ด, เจดีคืออะไรคือรวงเข้ามามาถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจ เันคณะสัตยาญาิโยมลูกหลานทุกคนนะที่มาปฏิบัติธรรมในวันนี้หลวงพ่อได้แนะนําวิธีการ เ, เบื้องต้นหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับประวัติของหลวงปู่เพื่อให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาท่านเป็นมาอย่างไรจากนั้นพวกเราแสดงความกตัญญูลูกหลานทั้งหลายแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสถาบันทั้งสี่คื อ, คอ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนั้นคือส่วนหนึ่งนัก แ, แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินที่รักษาประเทศชาติบ้านเมืองมาอีกส่วนหนึ่งเราแสดงความกตัญญูกตเวทีตาต่อพ่อแม่ของพวกเราอีกส่วนหนึ่งเราแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่ออุปชาอาจารย์ที่แนะนําสั่งสอนพวกเราอันนั้นอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้นคือความแสดงความกตัญญูกตเวทีตา จากนั้นหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ด้วยกันต้องมีน้ำใจต้องมีการเสียสละ เ, เรียกว่าคราวตสธรรมธรรมของครวาสสี่อย่างสัจจะธรรมขันติจาคะให้แก่พวกเราได้เป็นเป็นข้อสังเกตให้เป็นพ่อกติธรรมเพื่อฟังศึกษาจากนั้นก็เรื่อกทานเรื่องศีล เ, เรื่องภาวนาภาวนาหลวงพ่อเ น, เน้นหนักเรื่องภาวนามากกว่านี้ตั้งแต่ี่เริ่มมา เราควรทำตนอย่างไรก่อนที่เราจะภาวนานับหนึ่งอย่างไรพวกเราก็คงจะได้สังเกตในการวิธีการทำอันนี้คือแนวแถวของสายลุงปูมั่นให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาจนถึงให้พิจารณาถึงร่างกายสังขารว่าเป็นไม่ใช่ตัวตนของเราแก่เจ็บตายแล้วก็ถูกเผาไปในที่สุดกระดูกของเราก็จะต้องเอาไปลอยน้ำโขงไปลอยอังคาร แต่ตามไม่ริงเอาไปเท้งลงน้นําเหมือนกันนี่แหละคือร่างกายของเราขนาดร่างกายพวกเรายัางไม่ใช่ของเราแล้วสองอย่างอื่นจะเป็นของเราได้อย่างไรอันนี้ให้พวกเราสังเกตนะให้ปล่อยวางที่ใจถ้าคนรู้จักปล่อยวางที่ใจถ้ารักใครก็จะไม่รักมากถ้าโกรธใครก็ไม่โกรธมากจะพยายามอาฆาตผูกกรรมผูกเวรกับใครก็จะไม่ผูกกรรมผูกเวรกับใครมากพอมาเจอกันแล้วอีกสักวันหนะึ่งพวกเราก็จะต่างคนก็ต่างไปแล้วไม่รู้จะอยู่นานแค่เท่าไหร่ อย่ากพวกหลวงพ่อเหมือนกันที่มาแนะนําสั่งสอนมาบอกกล่าวหลวงพ่อก็จะอยู่กับพวกกับหลานนานเท่าไหร่หลวงพ่อเขาไม่มั่นใจอีกเหมือนกันอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าหลวงพ่อต้องไปแน่ๆพราะงั้นเด็ไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วงั้นเดน่ยเพราะนั้นขอให้พวกเราสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ น, นะถ้าว่าพวกเราไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีเอาไวน้นะเอีพอตายไปแล้วเน่ยไปผิดที่ผิดทางนะเหมือนกับหลวงพ่อเคยเล่าเป็นนิทานให้แก่พวกเราได้ฟัง ได้ศึกษาหลวพ่อเคยเล่าเป็นนิทานคือตาหนึ่ ง, งมีอายุเจดสิปีชื่อตาดีอย่นัจ้ะนายดีอย่านันจะจากนั้นพอนายดีเนี่ยอายุเจดสิปีตายไปตายแบบกระทันหันตายไปกับคนหนุ่มคนหนึ่งในช่วงนะตายไปด้วยกันสองคนแต่คนไม่รู้จักกันหรอกแต่ว่าการตายของคนเนี่ยนะยอมมาโทษเขาเนี่ยยอมมาโทษเขามาได้ เลือกว่าใครจะตายเวลาไหนนะ เ, เวลาใครเกิดขึ้นมาแล้วโยมมาโทษเราะเขเขียนวีซ่าไปให้แล้วั้นนายนี้นางนั้นเกิดเวลาท่านั้นเท่านี้เออเอาไปไปสร้างสั่งสมคุนงามความดีนะเนาะอีกสักวันหนึ่งเดี๋ยววีซ่าจะไปถึงแล้วก็ยังค่อยกลับเออโยมมโทษพรกะเขียนไว้อย่างนั้นแต่ตอนนี้พอพวกเรามาเกิดทีหลงลืมไปทั้งหมดทีนี้ มีแต่สนุกสนานเผิดเพลินเฮฮากินเหล้าเมายาสุรานารีเออพอได้สิ่งของดีๆมนก็นลืมตนลืมตัวทีหนึเออลืมกระทั่งวีซ่าของยศมาโทษเขาจะส่งมาให้ทตนี้วันดีคืนดีวีซา่ามาตกมาถึงเอามาถึงนายดีองนั้นแหะเอามาถึงอ้าวเขาก็เอาไปเลยวงั้นเลยแต่ตามไม่จริงถ้าคนเอาไปเนี่ยเขาจะมีช่องใครช่องเรานะถ้าว่าเป็นระยะบุคคลท่านก็ไปอีกช่องหนึ่งพระ อรหรันพระปนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาวันถ้าก็ไปช่องถ้าไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมถ้าก็จัดไปอีกช่องหนึ่งแต่ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ช่องหนึ่งไปเกิดเป็นเปรตไปตกนรกช่องหนึ่งแต่ใ้ตาดีเดี๋ยวไปช่องนรกทนี่พอเกิดมาตัวเองปีตมัวเมาในการทํามาหาเลี้ยงฉีพเหมือนกันเถอะพ่อไปจะไปช่องนรกเถอะพอไปเสร็จแล้วเออรออยู่นี่นะเดี๋ยวอีกสักหน่อยขึ้นไปหายมมาโทษ เขาจะซักไซ้ไลเลียงว่าเป็นยังไงจากนั้นเขาก็ยมมรทูตเขาเลยพาคนนายดีนี่ขึ้นไปอายุ70ปีพอขึ้นไปเห็นหน้ายมมรทูตเนี่ยเขาก็ตะเบงเสียงขู่ยมมรทูตอีกต่างหากว่างั้นเถะแหมยมมรทูตเนี่ยทไมไม่ให้ความเป็นธรรมสําหรับผมเลยเท่านเป็นทยมมรทูตท่านต้องรักษากฎกติกาคนเกิดมาในโลกในจักรวาลกาลโลกรูปโลกอรูปโลกเนี่ย ท่านต้องเป็นผู้ให้ความเป็นธรรมแกเขาท่านเป็นผู้ถือกฎหมายแต่ท่านทำไมไม่ให้ความเป็นธรรมกับผมเลยหัวหนะ้ไปขู่ยมมาทูดยมมาทูดกัอเอาโตใส่เลยเปร้ยงเร็วขนาดแหมมาขู่ได้ยังไงเราเป็นยมมาทูดนันี่งอันนี้ไม่ใช่มนุษยโลกนะเป็นบรจโลกนะเนี่ยเหมือนกันรู้ไหมนี่แหละยมมาทูดต้องฟังซิเราเตือนเธอไปลึกไ่ลึกกี่ครั้งแล้ว เธอมันนั่นเองนะ่ะมันไม่ฟังใครไม่ฟังเราเลย เ, เหมือนกับหมาเข้าเข้าไปสู่ฐานนะดึงหางไปกับหางขาดดึงขาไปกับขาขาดอาไม่ยอมฟังมีแต่ใส่ไปทางกิเลสราคะโภสะโมหะล่มหลงกับโลกเอเหมือนกับตัวเองจะอยู่ในโลกเป็นอนันตการจะทําอย่างนั้นได้ยังไงลงมาทู่เขาบอกทางตาดีนี่กขาบอกว่าท่านไม่ได้เตือนผมเลย ท่านผมเนี่ยมาแบบกระทันหันเลยเผมไม่ได้ฝากฝังอะไรไว้ทั้งหมดทรัพสมบัติของผมผมว่าไม่ฝากไว้ใครไว้เลยพี่นายกรพี่นายก ร, รมผมเขียนมันก็ไม่ได้เขียนให้แก่ไม่ได้บอกมอบให้แก่ใครเลยท่านเอามาผมเอามาปรับปรุงเนีน่ไม่ให้ความเป็นธรรมสําหรับผมเป็นอย่างมากอตูดีขูทางโยมทั่วอ้าวเราเตือนไปแล้วมีฟังเนยจดหมายไปแล้วไม่ฟังหลายครั้ง จดหมายไปที่ไหนมันมาเดเถียงเขายมมาโทษเขาบอกว่าคนเนี่ยอายุเท่าไหร่ใส่แว่นตาแต่นี่ยประมาณสี่สิบห้าครับนั่นแหละจดหมายฉบับที่หนึ่งบอกถึงความแก่ทําไมไม่ฟังเอ่อมันแก่แล้วนั่นแหะเอะ่แล้วฟันหลุดเวลาเท่าไหร่เมื่ออายุเท่าไหร่ปัยอายุประมาณห้าสิบครับนั่นแหละจดหมายฉบับที่สองฟันหลุดเอ้อ แล้วผมหงอกหรอหูตึงล่ะไล่ไปเรื่อยเลโอ้ใช่เตือนมาเลยเนี่ยนานและเตือนขนาดไหนว่ายังลุ่มหลงอยู่เไม่รู้จักว่าตัวเองจะจะตาย เ, เพราะนั้นเราเตือนแล้วไม่ฟังเราช่วยไม่ได้เพราะนั้นเอาไปเนีมันดื้อยอย่างนี้เอาไปลงนรกซะอะไปลงกระทะซ ะ, เ, ะเพื่อจะได้เป็นคนดีต่อไปโยมทั่วเขาเลยไปเอาไปลงนรก เ, เพราะไปฝึกเอาไปไปเผาซะก่อน เอาไปเผาให้เข็ดลาบซะก่อนเหมือนกัแต่ไอน้มนมไงไอน้นมจะไปด้วยกับตาค้างเลยไง้วแต่ว่าท่านท่านท่านท่านท่านโยมมาโทษครับท่านไม่เห็นเตือนผมเลยแล้วก็เอาผมมาอายุเพียงผมยี่สิบกว่าปีเองเฮ้ยไอน้นมการเตือนนั้ไม่ใช่ว่าเตือนแบบเดียวกันเมื่อไหร่เพื่อนของแกอายุเท่าไหร่เธอมีเพื่อนใช่ไหมไข้ครับมีเพื่อนอายุเท่าไหร่เขาตาย อายุยี่สิบสองครับเขาตายเพราะอะไรเขาตายวายครับเขาเลยตายวายก็ เ, เลยตายครับแล้วเธอล่ะผมเป็นวันโลกครับนั่นแหละการตายของเพื่อนนั่นแหละเราจดหมายไปบอกเราเธอทำไมไม่น้อมถึงมหาตัวเองว้าขนาดหนุ่มขนาดนั้นยังตายตัวเองอยากคิดจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมคนอื่นเขาตายแล้วตัวเองจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมต้องคิดที่ว่าตัวเองสักวันหนึ่งข้าจะต้องตาย น, นั่นแหละ จึงประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีควรจะทำสิ่งนั้นไม่ควรจะประมาทในชีวิตของตนเองโยมมาถูดเขาบอกเออเอาเถอะเธอยังน้อยหนุ่มอยู่ไปหาเกิดอีกสักไปไปเกิดอีกอย่าทความชั่วนะ เ, เด็กหนุ่มคนนั้นก็เลยไม่ได้ตกนรกว่าง้นกลับมาเกิดอีกนะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เนะ่ ใครผมหงอกกี่เส้นล ะ, ะแสดงว่าโยมมาโทษเขาเตือนมาเป็นลําดับลําดับนะหูของเราฟ้าฟางหนังของเราเหี่ยว อ, อย่างเนี้ยฟันของเราหลุดล้วนแล้วแต่ยมมาโทษเตือนทางนั้นอบอกถึงความแก่แต่หลวงพ่อที่นั่งอยู่เนหลวงพ่อกรใสาแว่นตายมมาโทษเตือนอะไรนั่นนี่นะหลวงพ่ออินนะ เ, เตือนแล้ว เ, เพราะฉนั้นหลวงพ่อจึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะฉนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะ้าทาญาติโยมทุกคน ที่ได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อได้แสดงในวันนี้ก็ใหเ้เป็นแนวความคิดนะหลวงพ่อได้ยกบาลีเบื้องต้นว่ากัญญาณการีกัญญานงางปาปการีจะปาปังมัดฉาตปติทุกะตังอัคตั ง, ตงดุกะตังเสยโยปาปานังอัครานังสุขขัง อปมาเดนะสัมปาเดทติเนี่ยแปลว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกล้ำไม่ดีย่อมเผาผานเมื่อภายหลังถ้าเราทำกล้ำไม่ดเีเราทำไม่ดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีกล้ำนั้นจะเผาผานเราเมื่อภายหลังเมื่อเราไปตีหัวเขาเ ข, าเขา้าไปป่นไปคดไปโกงไปจี้เขาเไปทำอันไหนที่ออกผิดกฎหมา ย, นยในขณะที่เราทำเราก็ไม่ได้คิดใช่ไหม เมื่อทําไปแล้วนะอกรรมชั่วนั้นจะเผาผลาญเราเมื่อภายหลังเขาจะมาจับเข้าคุกเข้าตารางโทษประหารอย่างเนี้ยเหมือนกับเราทานยาพิษเนี่ยเข้าไปในท้องเราเมื่อทานเข้าไปแล้วนะยาพิษยังไม่ได้ให้ผลนะเราก็โอ้ไม่เป็นไรเห็นไหมเรากินยาพิษเนะี่ยแต่อีกสักหน่อยหนึ่งยาพิษให้ผลเมื่อไหร่เราก็กระเสือกกระสนเมื่อนั้นนั่นแหละท่านที่ว่ากรรมชั่วจะทําทเฉลยดีกว่าเพราะนั้นกรรมชั่วย่อม ให้ผลเมื่อภายหลังกลัมไม่ดีย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังความชั่วไม่ทำเฉลยดีกว่าเพราะการไม่ทำความชั่วเกิดสุขถึงว่านะเพราะอะไรเมื่อเราไม่ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเราก็ามีความสุขไม่ใช่เหรอแต่ถ้าว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วนั่นหละสิ่งที่ไม่ดีนั่นหละจะทำให้เราเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือว่า พวกเราทุกๆท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอัอปปามาเดนะซัมปาเดท่าติพวกเราทั้งหลายเกิดมาแล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้เพราะชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าจะจากไปวันไหนวันนี้อายุของเราเท่าไหร่แล้วเราจะยืนนานไปสักเท่าไหร่บุญกุศลพวกเราได้เตรียมพร้อมไว้เพียงพอหรื อ, อยัง ที่เราจะวางแผนในอนาคตเราควรจะสวแสวงหาทั้งสองอย่างอาหารกายพวกเราก็อย่าให้ขาดตัปกพ่องอาหารกายก็คือปัจจัยสี่เงินคำทรัพสมบัติที่อยู่อาศัยยาแก้โรคภัยไข้เจ็บผ่านห้องโถงอันนี้คือปัจจัยสี่ส่วนอาหารใจนั่นก็คือเนี่ยสิ่งและธรรมอย่างพวกเรามาปฏิบัติในวันนี้น่ะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงใจของเรา ให้คิดไปในทางที่ถูกต้องทำไปในทางที่ถูกต้องพูดไปในทางที่ถูกต้องอันนี้แหละคืออาหารใจถ้าเราทาเราคิดทำพูดถูกในทางที่ถูกต้องแล้วมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราวันนี้หลวงพ่อได้แนะแนวแสดงธรรมให้แก่คณะทศไทยญาติโยมลูกหลานทุกท่านที่มาแสดงมุทิตาสักระในวัน ครบ99ปีของหลวงปู่พระอุโรมญาณโมรีของพวกเราในบริเวณเจดีย์แห่งนี้ด้วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระเจดีย์อำนาจบุญวาสนาบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ที่พระเจดีย์แห่งนี้ขอให้คุ้มครอง พวกเราท่านทั้งหลายแล้วก็พวกเราท่านทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดที่อยู่ในกรอบเหตุผลอยู่ในศีลธรรมเขาขอให้พวกเราปรารถนาสิ่งนั้นขอให้สำเร็จสมความมุ่ง ม, มา่นปรารถนาทุกประการเทิน